วันนี้เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าให้พวกศรัทาธาญาติโยมทั้งหลายหยุดภารกิจการทำงานเพื่อบำบัดทุกบำรงสุขทางร่างกายหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาวดัดมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถทำในสิ่งที่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำได้นั่นเองสิ่งที่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จะให้กับเราทากับจะทำให้กับเราก็คือมาสอนให้พวกเรารู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำลุงสุขทางจิตใจนะจิตใจนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและอาจจะสำคัญกว่าทางร่างกายเสียด้วยซ้ำไปเพราะร่างกายนี้ เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงแก่ความตายเมื่อตายแล้วสิ่งต่างๆที่หามาเพื่อบำบัดทุกบำหนุงสุขให้แก่ร่างกายก็หมดหมดหน้าที่ไปแต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้อยู่ อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันตายและสิ่งที่ได้ทำให้กับจิตใจคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่างๆก็ยังอยู่กับใจต่อไปและจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราได้รู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจเราก็สามารถทำต่อได้ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ยังสามารถบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้กับจิตใจต่อไปได้เรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือบำบัดทุกข์ให้หมดไปจากใจเลยไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจบำรุงสุขคือสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้ผ่านทางร่างกายก็ความสุขของพระนิพพานนิบบานังบรลมังสุขังความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายความสุขต่างๆที่ได้ผ่านทางร่างกาย พอร่างกายตายไปก็หายไปหมดใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ตามความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆพอร่างกายตายไปไม่มีใครเอาไปได้มหาเศรษฐีก็เอาเงินทองไปไม่ได้ พระราชามาหากษัตริย์ก็เอาตาแหน่งไปไม่ได้เอาพระราชวังไปไม่ได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้พอที่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่สิ่งที่เราทำให้กับใจที่ติดอยู่กับใจนี้ใจเอาไปได้หมดบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้มากน้อยเพียงไรก็จะติดไปกับใจ บำบัดทุกที่จะต้องไปเกิดในอบายได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายบำลุบำรุงสุขด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะเอาไปได้หมดถ้าเป็นเทพก็เอาไปได้เป็นพรหมก็เอาไปได้เป็นพระอริยบุคคลก็เอาไปได้นี่คือความวิเศษของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้านี้ทรงเห็นความสําคัญทรงเห็นประโยชน์ที่พุทธศาสนิ ก, กชนพึงจะได้รับจึงต้องบําจึงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่สั่งก็ไม่มีใครเข้าวัดกันเห็นไหมพอมีวันพระวันเดียวก็เข้าแค่วันเดียวอีกหกวันนี้ชอบทะเลถลไยไปที่อื่นกัน ชอบไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันชอบไปหาลาบยศสละเสริญหาลังวีลังวันใช่นักกีฬานี่โอยวิ่งหาเหรียญทองกันวุ่นไปหมดนักการเมืองก็หาตำแหน่งวุ่นไปหมดเศรษฐีก็หาโครงการต่างๆวุ่นไปหมดโครงการหมื่นล้านแสนล้าน ก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาวัดกันพระพุทธเจ้าช่ารู้ถ้าไม่ไม่ได้ตั้งวันพระขึ้นมาก็จะไม่มีใครเข้าวัดกันเมื่อไม่เข้าวัดก็จะไม่รู้จักธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้านี้มันมีทางเดียวเท่านั้นที่จะได้ยินได้ฟังธรรมก็คือต้องไปวัดเพราะสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนี้เรามีสื่อต่างๆที่เราสามารถบันทึกธรรมะและเผยแผ่ธรรมะได้ไม่จําเป็นต้องไปวัดก็ได้สมัยนี้ถ้าต้องการฟังธรรมนี้ธรรมะอยู่ในมือถือเรานี่เองอยู่ในกำรร ม, มือของเราแต่ก็ไม่ไม่ยอมเปิดดูกันสัทีชอบไปดูไ้เรื่องบ้าบอคอแตกพวกไร้สาระต่างๆดูแล้วหัวละเอะเอเกิกเนี่ยช่า เห็นอะไรแปลกๆนี่ชอบดูแต่ของที่มีสาระมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจนี่กลับไม่ชอบดูกันถึงแม้จะมีธรรมะอยู่ในมือก็ตามก็เหมือนกับไม่มี น, นี่คือปัญหาของพวกเราเป็นพวกเขาเรียกว่าไก่ได้พลอยเคยได้ยินนิทานไก่ได้พลอยไหม กายมันทําหากินด้วยวิธีไหนอะมันก็ขุดคุยเขีย่ยหาหนอนหาไส้เดือนกินอะพอเมื่อเจอปลอยเข้ามันก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งอะเพราะมันไม่รู้จะไปทําอะไรมันไม่รู้จักคุณค่าของปลอยของเพชรว่ามีคุณค่าราคาถ้ารู้ว่าเก็บไปแล้วเอาไปขายนี่ ไปสามารถเอาไปซื้อตัวหนอนไส้เดือนเป็นแสนเป็นล้านตัวะได้เป็นเพียงเม็ดเดียวนี้สบายไม่ต้องมาขุดคุย้ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนไปตลอดชีวิตนะแต่มันโง่ไงมันไม่ฉลาดมันไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยพอเจอเพชรเจอพลอยมันก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งพวกเราก็เหมือนกันมีธรรมะอยู่ในกํำ ม, มือแท้ๆก็ยังไม่เปิดดู ปิแต่พวกตัวหนอนไส้เดือนต่างๆหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนหาดูแต่หนังดูละครดูฟังเพลงมีหาเรื่องหาราวดูคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นดูแล้วมีความเพลิดเพลินใจแต่ไม่สามารถที่จะบำบัดความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ พอถึงเวลานั้นก็ไม่มีที่พึ่งถึงเวลานั้นจะเข้าหาธรรมะมันก็สายเกินไปเพราะธรรมะนี่กว่าที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกเสียตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะเอาผลจากต้นไม้ทันทีทันใดให้เอาไม่ได้ต้องปลูกทิ้งไว้ก่อนปลูกทิ้งไว้ เช่นถ้าเราเป็นแม่ครัวเราก็ต้องปลูกพวกตะไคร้พวกพริกพวกอะไรมะเขือไว้ก่อนพอถึงเวลาจะแกงเอ่ก็จะสามารถไปเด็ดพริกดิดมะเขือเอาตกค่งตะไคร้อะไรมาทําครัวได้สมัยก่อนชาวบ้านก็ทําอย่างนี้ฮก็มีสวนครัวกันเวลาเ่าจะทํากับข้าวเขาก็ไปที่ในสวนนั่นเนอะ อยากจะได้อะไรเขาก็เด็ดมามะนาวเขาก็ปลูกเองตะไคร้ขิงขา่าอะไรต่างๆเวลาจะทําแกงทําอะไรเขาก็สามารถที่จะไปเด็ดมาได้มาพงมาพราวกล้วยใช่หไหมมีทุกอย่างพร้อมหมดสมัยก่อนไม่ต้องไปตลาดเหมือนสมัยนี้สามารถทำทำอาหารที่บ้านได้ เขาต้องปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้ก่อนไม่ใช่จะปลูกวันที่จะใช้นี้มันไม่ทันการพอวันนี้จะทำแกงอ่ะไปปลูกต้นมะนาวไปปลูกต้นอะไรแล้วเมื่อไหรมะนาวมันจะออกลูกมาให้เราใช้ได้แหละนี่ก็คือธรรมะถึงแม้จะวิเศษวิโสขนาดไหนมันก็ต้องใช้เวลาปลูกฝังให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจของเราไม่ใช่เหมือนกับไฟฟ้า ปอดสวิกปั๊บก็ไฟก็สว่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะต้องใช้เวลาศึกษาใช้เวลาปฏิบัติศึกษาปฏิบัติก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกแล้วก็ต้องทำนุ่ปบำรุงดูแลรักษาคอยกำจัดวัชพืชกำจัดามาแมลงต่างๆ ไม่ให้มากัดมาทำลายต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้อพอได้รับการปลูกได้รับการดูแลเดี๋ยวไม่นานดอกผลของต้นไม้ก็จะออกมาแล้วตอนนั้นละ่ะต้องการจะใช้อะไรก็สามารถไปเด็ดไปหยิบมาได้เลยนี่คือความจำเป็นที่พวกเราต้อง เข้าหาธรรมะกันตั้งแต่นั่นๆตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ต้องอาศัยธรรมะเพราะต่อไปนี้เราจะต้องเจอทุกข์ในรูปแบบต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเพื่อนฝูงที่เรารู้จักต่อไปก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นต่อไปก็เจ็บไข้ได้ป่วย ต่อไปก็ตายกันจากกันไปคนที่เรารู้จักคนที่เราเคยสนิทสนมวันดีคืนดีเขาก็ลาจากเราไปตอนนั้นแหละที่เราต้องไปรีบเด็ดผลของธรรมะมาบำบัดความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะปลูกไว้ไม่มีผลที่จะไปเด็ดมาใช้ ก็ต้องมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจซึมเศร้าบางทีก็อยากจะตายไปกับคนที่ตายไปก็มีอยากจะข้าตัวตายไปก็มีนี่เพราะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนไม่เคยปฏิบัติธรรมนั่นเองพอถึงเวลาจะสายธรรมะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งก็ไม่มีให้พึ่ง ธรรมะจะวิเศษขนาดไหนเราต้องเป็นผู้ปูกฝังธรรมะให้เกิดขึ้นมาขึ้นภายในใจของเราถ้าเกิดขึ้นภายในใจแล้วทีนี้เวลาที่เราต้องการใช้ธรรมะก็ใช้ได้ทันทีเวลามีความเศร้าโศกเสียใจก็ใช้ธรรมะมาดับได้ทันทีเวลามีความทุกข์กับใครกับเรื่องอะไรพอเอาธรรมะมาปั๊บ ความทุกข์เหล่านั้นก็จะหายไปเวลาอยากจะมีความสุขก็เอาธรรมะม า, ามาผลิตให้กับใจได้ทันทีอยากจะได้ความสุขพอมีธรรมะปับ๊บก็สามารถาเรียกความสุขมาหาเราได้ทันทีเหมือนเปิดสวิตไฟสวิตไฟนี้กว่าจะใช้การได้มันก็ต้องเดินสายต่อสายไปถึงโรงไฟฟ้านูน่นน ลงไฟฟ้าอยู่ไกลขนาดไหนก็ต้องต่อไปให้ถึงถ้าไม่ถึงลงไฟฟ้าต่อให้มีสวิตไฟมีหลอดไฟมันก็ไม่มีประโยชน์เลยใช้ไม่ได้ฉันใดธรรมะถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่เอามาปลูกฝังไว้ในใจเราเราจะไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราต้องการธรรมะมาบำบัดทุกมาบำบังสุขให้กับเร า, านี่แหละคือ ทำไมเราจึงต้องมีวันพระวนันสมาภาษาบาลีท่านเรียกวันพระว่าวันธรรมสวนะธรรมะสวนาะภาษาบาลีแปลว่าวันฟังธรรมฟังธรรมศึกษาธรรมสมัยก่อนวิธีศึกษาต้องศึกษาด้วยการฟังเพราะสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีการเรียนหนังสือกัน ไม่มีการเขียนไม่มีการอ่านหนังสือธรรมะนี่ไม่มีบันทึกเป็นตัวอักษรบันทึกไว้ในความจำของพระแต่ละรูปที่มาบวชในพระพุทธศาสนาที่บทสวดมนตน์ต่างๆนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหะพระสูตรต่างๆเช่นมงคลละสูตรมงคลสามสิบแปดอาเสวนาจะบาลานังบันติตานันจเสวนาอันนี้เป็นคำสอน ลองมาแปลดูเสียเอเซวนาจะบาลานังแปลว่าอะไรอย่าคคบคนพาลคนงโง่ให้คบบัณฑิตบูชาจะปูชนียนังให้บูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นบุคคลที่เราควรที่จะบูชาควรที่แสดงความกตัญญูกะตะเวที เพราะคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นคนดีนั่นเองคนเราจะเป็นดีคนจะเป็นคนดีได้ดูที่ความกระตันยูนี่แหละถ้าลองไม่กระตันยูแล้วจะไม่มีใครอยากจะเกี่ยวข้องด้วยเพราะเหมือนกับไปช่วยงูเหา่าไปช่วยงูเหา่าเดี๋ยวเพ้อก็จะโดนงูเห่ากัดตายได้คนที่ไม่มีความกระตันยูก็จะเป็นแบบนั้น ช่วยเขาแล้ววันดีคืน ด, ดีเขาโกรธเราขึ้นมาเขาก็ฆ่าเราได้เขาก็ทําร้ายเราได้แต่คนที่มีความกระตันอยู่จะไม่กล้าทำํำคนที่มีความสํานึกในบุญของบุญคุณของผู้อื่นนี้จะไม่กล้าทําร้ายผู้ที่มีบุญคุณด้วยจะมีแต่แสดงความเคารพนับถือยกย่องเทิดทูนเพราะว่า ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากผู้นั้นเราเขาจะอยู่ได้อย่างไรที่เขารอดมาได้เขาอยู่มาได้จนบัดนี้ก็เพราะความช่วยเหลือของผู้อื่น่พวกเรานี่ถ้าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเราเราจะอยู่มาได้จนถึงวันนี้เหรอะแล้วเราจะกล้าลืมบุญคุณของพ่อของแม่ลงคอเลยถ้าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเราเราจะอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าวันนี้นี่แหละคือความกระตันอยู่ บูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจ ะ, สะแสดงคุณสมบัติของคนดีให้สังคมได้รู้จักไม่มีสังคมไหนที่จะดังเกียดหรือประนามคนที่มีความกระตันยูมีแต่ยกย่องเห็นหมมีเด็กกระตันยูนี่หนังสือพิมพ์มาใบลงเลยไหมพอคนได้ยินว่าเป็นเด็กกระตันยูโอ้เงินทองไหลมาเทมา สนับสนุนคนที่มีความกระตันอยู่แต่พอมีข่าวคนที่มีความอักตันอยู่นี่โอ้ยมีแต่พะน้ำด่ากันทั่วบ้านทั่วช่องนี่คือมงคลนนสูตรมีส8สบดข้อด้วยกันวิธีที่จะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยมงคลอยู่ที่การกระทำสาสบดข้อพระท่านก็เอามาท่อง เพราะสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือออกไม่มีใครเรียนหนังสือมีแต่การจดจำธรรมะคํ ร, รสอนของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าแสดงปั๊พร ะ, ระที่ฝั่งนี้เริ่มเอาไปท่องกันท่องกันกันหลายๆรูปแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบางทีองค์นี้ลืมตรงนั้นบางทีองค์นั้นลืมตรงนี้ พอมาเปรียบเทียบกันก็มาผสมประสานให้ได้ครบพสูตรได้เนที่มาของการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาสวดมนต์เพื่อรักษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตายจากไปแล้วพรพระพุทธเจ้านี้ก็มีอายุไม่มากเหมือนคนทั่วไป พออายุแปดสิบท่านก็ละสังขารแต่ธรรมะคำสั่งคาสอนของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าอยู่ต่อเพราะมีพระที่มาบวชนี้มาจดมาจำกันพอพระพุทธเจ้าตายไปสามสามเดือนก็มีการเรียกประชุมทันทีเรียกประชุมพระอรหันต์ห้าร้อยรูปให้มาทบทวนความ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อเลยที่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรไปจนถึงปัจฉิมมาโอวาเน่ว่าพระพุทธเจ้าพูดธรรมะไว้ที่ตรงไหนบ้างวันไหนเวลาไหนพูดให้ใครฟังมีการจดจำไว้มาตลอด ยาพระที่จดจำพระสูตรต่างๆเหล่านี้ก็จะมาเปรียบเทียบกันมีพระอรหารเป็นผู้ที่จะมาตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะว่าการท่องจำอาจจะขาดคำนูน้นขาดคำนี้หรือคำเกินคำนูน้นเกินคำ น, น, คำนี้อาจจะทำให้ความหมายผิดไปได้ แต่ถ้ามีพระอาหารหันต์คอยเป็นคนตรวจตายชั้นหนึ่งไม่มีวันผิดพระอาหารหันต์จะรู้เลยว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ไม่ถูกเพราะว่าท่านปฏิบัติมาแล้วท่านได้พิสูจน์แล้วว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกถึงแม้จะจําผิดกันมาก็จะมีพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่มา <c oughs> มาแก้มาปรับให้ถูกต้องได้ นี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามาหาศาลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมวันละกี่ครั้งรู้ญาติโยมวันละสี่ครั้งตอนบ่ายแสดงธรรมให้ญาติโยมเนี่ยตอนค่ำแสดงธรรมให้ภิกษุภิกษุณีสามเณร ตอนเด็กแสดงทําให้เทวดาแล้วตอนก่อนจะออกบินทบาส ท, ทรงเลงญานว่าวันนั้นจะไปจะไปแสดงทำให้กับใครเป็นกรณีพิเศษนี่คือธรรมะที่พระตถาจ้าวทรงแสดงแล้วก็มีผู้ติดตามไปฟังแต่ไม่ทราบว่ามีใครตามสเสด็จตอนที่แสดงทำให้เทวดาหรือไม่ อาจจะมีเพราะว่ามีพระอาหารหันต์สาวกที่สามารถที่จะติดต่อการสนทนาธรรมได้มีพลังจิตที่จะอาจจะติดตามการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้กับเทวดาได้ดังนั้นจะมีพระคอยติดตามรับฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ทุกวันนะเหมือนที่นี่ทุกวันมีการบันทึกสดไว้เนี่ยนี่ไม่รู้กี่ปีแล้วลองย้อนหลังไปดูแต่อยากจะดูวันไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อันนี้ดีไม่ต้องมีใครมายืนยันเพรา ะ, ะมันมีสื่อที่มันบันทึก ตรงเป๊ะทุกอย่างพูดคำไหนมันก็บันทึกคำนั้นอยู่จะ ก, กี่ปีกี่สิบปีกี่ร้อยปีถ้าเปิดเอามาดูได้มันก็ยังเป็นเหมือนสดสดร้อนๆอนอยู่เหมือนกับที่กำลังพูดอยู่ในขณะนี้เลยแต่สมัยก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้สมัยก่อนต้องอาศัยความจำของพระการที่พระจำมันก็มีประโยชน์ นอกจากมีประโยชน์ในการรักษาพระธรรมคาสอนแล้วก็เป็นการฝึกสติไปในตัวเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเพราะว่าแทนที่จะปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็เกิดอารมณ์วุ่นวายขึ้นมามาคิดคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าคิดแล้วก็ได้ความรู้ได้ปัญญาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาอะไร ได้สติคือจิตไม่ไปคิดเรื่องอื่นสามารถควบคุมความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสได้ให้คิดอยู่ในทางธรรมในพระสมัยก่อนจึงบรรลุธรรมกันได้อย่างง่ายดายมากมายกายกองเพราะว่าทุกองนี้ต้องมาท่องคำสอนของพระพุทธเจ้ากันท่องเพื่อรักษาอนุรักษ์ไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังท่องเพื่อให้เกิดสติ ทงเพื่อให้เกิดปัญญาพอมีสติมีปัญญาก็สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้เนี่ยนี่แหละคือประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้เราได้สติได้ปัญญาที่เป็นอาวุธ ที่จะมาทำลายข้าศึกศัตรูของใจคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่จะมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจอยู่ตลอดเวลาพอมีสติมีปัญญาก็สามารถระ ง, งับดับกิเลสตัณหาระ ง, งับดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ ทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ก็คือความสุขที่เกิดการทำใจให้สงบระงับความโลภความโกรธความหลงระงับความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่แหละคือความสำคัญของวันพระความสาคัญของการศึกษาฟังเทศฟังธรรม สมัยนี้เราไม่มีข้ออ้างว่าไม่ว่างเช่นวันนี้คนที่ไปทำงานเข า, าอาจจะอ้างว่าวันนี้ไปทำงานมาวัดไม่ได้มาวัดไม่ได้แต่ก็ยังฟังธรรมได้เช่นตอนนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านไม่ว่ากำลังทำงานอยู่หรือเปล่าบางท่านอาจจะทำงานอยู่แล้วก็อาจจะมีเวลาว่างพักมาฟังธรรมก็ฟังได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้ สามารถฟังธรรมได้ทุกแห่งทุกขนและทุกเวลาด้วยถ้าไม่ได้ฟังสดเดี๋ยวรอไปฟังตอนย้อนหลังก็ได้เพราะว่าธรรมที่ได้แสดงแต่ละวันนี้จะเก็บบันทึกไว้ให้ดูย้อนหลังได้ <Yeah. S 1> จะดูสดหรือดูย้อนหลังมันก็เหมือนกันเป็นธรรมะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมด ประโยชน์จะได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นสดหรือมันเป็นการบันทึกประโยชน์ที่จะได้จากการฟังธรรมอยู่ที่ว่าใจกายกายวาจาใจสงบหรือไม่นีอยู่ตรงนี้เวลาฟังเทศฟังธรรมเวลาศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องฟังด้วยกายที่สงบวาจาที่สงบ และใจที่สงบเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงธรรมที่กำลังฟังอยู่ได้เพราะว่าถ้ากำลังทำอะไรอยู่แล้วฟังไปด้วยจะฟังไม่รู้เรื่องจะไม่รู้ครบร้อยพูดง่ายๆอาจจะรู้ครึ่งเดียวเพราะว่าใจต้องแบ่งไปสองที่แบ่งไปที่งานที่กำลังทาอยู่และแบ่งไปที่ธรรมะที่กาลังฟังอยู่ มันก็เลยวิ่งไปวิ่งมาทำตรงนี้หน่อยแล้วก็ไปฟังตรงนู้นนิดแล้วก็กลับมาทำตรงนี้หน่อยก็วิ่งไปวิ่งมาตอนที่มาทางนี้ตอนทางนู้นกำลังพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วพอกลับไปฟังอีกทีเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปซะแล้วเมื่อกี้กำลังพูดเรื่องนี้อ้าพอกลับมาฟังอีกทีกลายปเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนี่คือผลจะไม่เกิดหรือเกิดก็เกิดได้น้อยเกิดไม่ได้มาก เพราะว่าไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องอการฟังธรรมต้องฟังอย่างต่อเนื่องเหมือนดูภาพยนตนระ์ถ้าลองดูภาพยนตร์แล้วเดี๋ยวลุกไปทํานูน่ทนทำนี่เดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องไปทะเลาะกันนางเอกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลับมาดีกันตอนไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องดูอย่างต่อเนื่องไม่ไปทำอะไรจะไม่เวลาดูหนังดูละครไม่เห็นไปทาอย่างอื่นนะนั่งจ้องอยู่ที่จออย่างเดียว แต่พอมาฟังธรรมะกลับเอ้ะ ท, ทำนู่นทำนี่ฟังธรรมไปด้วย น, นี่กิเลสมันชอบกิเลสมันชอบให้เราฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าถ้าฟังรู้เรื่องแร้วกิเลสตายกิเลสมันไม่ชอบตายกิเลสมันอยากจะอยูอ่กัดกินหัวใจเรานั่นเองพอเราเอาธรรมะมาเดี๋ยวมันธรรมะจะมาฆ่ามันมันก็เลยมีลูกล่อลูกเล่นลูกหลอกให้เราคิดว่าเรากําลังฟังธรรม แต่ความจริงเนระฟังแบบเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังแล้วไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจกิเลสก็จะไม่ตายแต่ถ้าเข้าใจปุ๊บนี่กิเลสมีอยู่ตัวตายหมดเลยกิเลสจึงหลอกล่อเราให้เราเอพังทําไปเอแล้วก็ทํางานไปด้วยได้ประโยชน์สองอย่างเลยได้สองเด้งเฉลาดนี่ งานการก็ไม่เสียธรรมะก็ได้ได้ทั้งสองอย่างดีกว่ามานั่งฟังอย่างเดียวเสียงานเสียการไปเสียประโยชน์เสียเงินทองเสียไรายได้แต่ถ้าทำงานด้วยเงินทองก็ได้ธรรมะก็ได้โอ้ได้ทั้งสองอย่างไม่ดีกว่าเลยแต่ได้แบบไม่เต็มร้อยทั้งสองอย่างงานก็ไม่เต็มร้อยธรรมะก็ไม่เต็มร้อยเอาไปทำอะไรทาประโยชน์ไม่ได้ เหตนเวลาฟังต้องฟังด้วยกายที่สงบนั่งเฉยๆตั้งใจฟังาวาจาก็ไม่คุยกันถ้าญาติโยมไปฟังเทศตามวัดที่ไม่ใช่วัดปฏิบัตินี้เขาจะคุยกันไปเวลาพระเทศเพราะเขาไม่ได้ไปฟังธรรมเขาไปงานไปงานศพไปงานอะไรก็ตามเขาก็จะมีพระมาเทศให้ฟังเวลาพระเทศเขาก็นั่งคุยกันไป ปล่ให้พระเทศไปออพอะเทศเสร็จลองถามว่าดูว่าพระเทศอะไรไม่รู้หรอกเพราะไม่ได้ฟังเพราะคุยกันคุยกันเพราะนานๆจะได้เจอเพื่อนฝูงทุกทีถ้าไม่มีคนตายก็จะไม่ได้มาเจอกันออพอมาเจอกันก็เลยฉวยโอกาสทักทายกันสอบถามสารทุกข์สุขเดืบกันติดตามข่าวสารกัน ก็เลยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันนะฟังก็ไม่รู้ว่าพระพูดอะไรไปเทศอะไรไปเ น, นี่ยนี่กายก็ต้องสงบแล้ววาจาก็ต้องสงบด้วยไม่คุยกันนอกจากนั้นใจก็ยังต้องสงบด้วยบางทีกายสงบวาจาสงบแต่จใจยังนั่งคิดเรื่อยเปื่อยไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ ฟังธรรมะไปก็ฟังที่เสียงเสียงก็ไม่เข้ามาที่ใจเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปว่าไม่มีสติดึงให้ธรรมะเข้ามาในใจธรรมะจะเข้าใจได้เข้าไปในใจได้ต้องหยุดความคิดต่างๆใช้สติหยุดความคิดใช้สติบังคับให้ตั้งใจฟังความตั้งใจฟังนี่แหละเรียกว่าสติ ตั้งใจก็เหมือนกับตั้งภาชนะไว้รองรับของเช่นเวลาเราไปเติมน้ํำนี่ถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ตั้งภาชนะไม่หงายแก้วขึ้นเทน้ําเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าไปในแก้วถ้าเราคว่ำแก้วแล้วก็เทน้ําใส่เข้าไปดูจะไม่มีน้ําแม้แต่หนึ่งหยดติดเข้าไปในแก้วเลยถ้าอยากจะให้น้ําเข้าไปในแก้วเราต้องหงายแก้วขึ้น ตั้งแก้วขึ้นใจก็เหมือนแก้วเนี่ยเราต้องหายใจขึ้นตั้งใจขึ้นอย่าไปความใจให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าคิดแล้วจะไม่รู้เรื่องว่ากำลังฟังอะไรเพราะใจจะอยู่กับเรื่องที่กำลังคิดอยู่นั่นเองอนะันี่คือการฟังธรรมที่จะให้เกิดประโยชน์ mm. เกิดผลเกิดสติ mm. เกิดปัญญาขึ้นมา ต้องฟังด้วยความสงบกายสงบวาจาและสงบใจสงบวาจาสงบกายก็คือศีลนี่เองตอนนี้ญาตยมนั่งเฉยๆไม่ได้พูดคุยกันมีศีลห้าครบห้าข้อไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ตบยุงไม่ได้ลักทรัพย์ของใครไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีกับใครไม่ได้พูดปด ไม่ได้ดื่มสุรายามเมาเนี่ยนีคือศีลตอนนี้ญาติโยมมีศีลมีสมาธิสมาธิก็คือถ้าตั้งใจฟังไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิก็จะมีภาชนะรองรับปัญญาคือธรรมะคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนกับเวลาเราไปลองน้ำถ้าเราไม่มีภาชนะไปลองน้ำก็เข้าไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำที่เราจะเก็บไว้ได้เวลาจะไปลองน้ำเราต้องมีแก้วมีถ้วยมีกระป๋องมีกระแปง้งมีอะไรถ้าไม่มีภาชนะไม่สามารถที่จะลองรับน้ำได้ แันใดใจของเราถ้าไม่มีภาชนะก็จะรับธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถรับธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในใจได้เราจึงต้องมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถฟังธรรมเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ ถ้าเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วทีนี้เวลาความทุกโผขึ้นมานี้ดับได้ทันทีเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนวิธีดับทุกนั่นเองเหมือนกับเครื่องดับเพลิงถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงรู้จักใช้เครื่องดับเพลิงเวลาเกิดไฟขึ้นมานี้เราก็ใช้เครื่องดับเพลิงฉีดเข้าไปปป๊บเดียวไฟก็ดับทันที แต่ถ้ามีเครื่องดับเพลิงแต่ใช้ไม่เป็นเพราะถึงเวลาจะใช้เปิดไม่ถูกเปิดตรงไหนไม่รู้ใช้ไม่ได้โยนมีแต่โยนเครื่องดับเพลิงใส่กล่องเพลิงเข้าไปคิดว่ามันจะมันจะดับเองนี่ไม่ดีมันกลับระเบิดขึ้นมาอีกยิ่งทำให้เกิดไฟลุกใหญ่ขึ้นมาอีกนี่คือธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีคุณค่ามหาศาลต่อจิตใจจิตใจจะพ้นทุกข์ได้ต้องมีธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต่อให้อยากจะดับทุกข์มากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถดับได้เพราะาเหมือนกับไม่มีเครื่องดับไฟนั่นเอง เวลาเกิดไฟไม่บ้านต่อให้อยากดับไฟมากน้อยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีเครื่องดับไฟก็ไม่มีวันที่จะดับไฟได้ชันใดธรรมะก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเราต้องมาสร้างธรรมะกันขึ้นมาในใจ มาฝึกใช้ธรรมะกันด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเบื้องต้นเพื่อให้เรารู้จักวิธีใช้ธรรมะว่าใช้อย่างไรในการที่จะเอาไปกำจัดกิเลสตัณหากำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆพอเราได้เรียนรู้จากวิธีใช้ธรรมะแล้วขั้นต่อไปเราก็เอาไป หัดใช้กันหัดใช้ธรรมะกันพระพุทธจเจ้าบอกว่าธรรมะที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆได้นี้ต้องเกิดจากการทาทานหนึ่งสองเกิดจากการรักษาศีลสามเกิดจากการภาวนานี่นี่คือวิธีที่จะเอาธรรมะมาดับความทุกข์ใจต่างๆต้องดับด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา ฐานนี้มีไว้สำหรับดับความอยากที่จะเอาเงินทองไปใช้กับความอยากต่างๆที่เป็นการเสริมความอยากให้มีกำลังมากขึ้นการทำอะไรตามความอยากนี้จะทำให้ความอยากมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเช่นเราอยากได้อะไรพอเราไปทำตามความอยากปั๊บ ความอยากได้มากกว่านั้นจะกลับมาสองเท่าพอได้คืบแล้วครั้งต่อไปก็อยากจะได้สอพอได้เป็นนายสิบแล้วครั้งต่อไปก็อยากจะเป็นนายร้อยแล้วสิพอเป็นนายร้อยแล้วทีนี้ก็อยากจะเป็นนายหมื่นนะนายพันนะสินี่คือความอยากถ้าเราไปทำตามความอยากความอยากมันจะไม่ลดน้อยถอยลงไป มันจะกลับมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อมันมีเพิ่มทุกครั้งที่มันเกิดความอยากขึ้นมามันก็เหมือนกับมีหอกมาทิ่มแทงใจเรานั่นเองเวลามีความอยากเราใจเราสบายไหมเลิกกัวนกังวายกระสับกระส่ายเช่นวันนี้ญาติโยมที่กำลังรอแทงหวยกันเนี่ยดูนตอนนี้ใจเป็นยังไงบ้าง กวนกวายกับสาบกสายหรือเปล่าเอวันนี้จะออกเลขอะไรเนะาะแทงเลขนี้จะถูกหรือเปล่าออ <c oughs> นี่เพราะความอยากแต่คนที่ไม่แทงหวยนี่จะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความอยากถูกหวยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน หวยจะออกเลขไหนไม่ออกเลขไหนไม่สนใจไม่เดือดร้อนนี่ละยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันไปสะเทือนใจเรามันไปสร้างความไม่สบายใจให้กับเราเแทนที่เราจะไปดับมันเรากลับไปทําตามมันไปส่งเสริมมันพอมันอยากจะแทงหวยก็ไปแทงหวยกับมันมันก็ยิ่งทําให้เกิดเออ่ ความอยากมากขึ้นเพราะแทงคราวนี้ถ้าเกิดถูกทีนี้ก็อยากจะแทงอีกก็สิแล้วถ้าเกิดไม่ถูกก็อยากจะเอาคืนก็ต้องไปแทงอีกเหมือนกันนั่นนี่แหละคือความอยากวิธีที่จะกำจัดมันก็คือต้องเอาเงินที่จะไปแทงหวยนี้ไปทำบุญซะพอไม่มีเงินแทงหวยมันก็ไม่มากังวลกับหวยแล้วว่าหวยวันนี้จะออกไม่อะไรหรือไม่ออกเลอะไร ทำบุญแล้วสบายใจกว่าอิ่มใจกว่าสุขใจกว่าเนเหมือนญาติโยมที่มาทำบุญกันตอนนี้ใช่ไมแทนที่จะเอาเงินไปแทงหวยก็เอาเงินมาทำบุญดีกว่าพอทำบุญแล้วความอยากจะแทงหวยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับต่อไปก็เลิกแทงหวยได้เมื่อเลิกแทงหวยได้ก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปกับการแทงหวย อันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของการใช้เงินตามความอยากที่ทำไมเราต้องมาเลิกใช้เงินตามความอยากเพราะถ้าเราไม่เลิกเราจะไม่มีเวลาที่จะไปสร้างธรรมะที่สูงกว่านี้ได้เราจะไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาไปฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมนั่นเองดังนั้นขั้นแรกเราต้องหาเวลาไปวัดให้ได้ ด้วยการหยุดใช้เงินตามความอยากเมื่อเราหยุดใช้เงินตามความอยากเงินก็ไม่ต้องใช้เราก็ไม่ต้องหาเงินมากที่เราต้องหาเงินมากเพราะว่าเรามีความอยากมาก อ, ยา ก, อยากซื้อนั่นอยากซื้อนี่อยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่พอมีความอยากใช้เงินมันก็ต้องดิ้นรนหาเงินน่เลย เมื่อมันดิ้นลนหาเงินมันก็ไม่มีเวลาว่างวันนี้ก็มาวาัดไม่ได้ใช่หไหมคนที่ดิ้นลนหาเงินก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองแล้วพอได้เงินมาก็ต้องเอาเงินไปใชก้ก็ต้องเอาเวลาไปใช้เวลาที่จะมาวาัดไปใช้เงินอีกเอาเวลาที่จะมาวาัดไปเที่ยวอีกพอเที่ยวหมดเงินหมดก็ต้องไปหาเงินใหม่อ มันก็อยู่ในวงจรอุบาทเนี่ยอยู่วงจรการหาเงินใช้เงินแล้วก็บ่นว่าไม่มีเวลาไปวัดเลยมันจะมีได้ยังไงหรอในเมื่อเราเอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปใช้เงินถ้าอยากจะมาวัดก็หยุดใช้เงินสิหยุดใช้เงินเมื่อหยุดใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินหรือหาก็หาไม่มากหาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ ส่วนเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยตามความอยากต่างๆก็หยุดมันเสียพอหยุดมันปั๊บเงินที่เราต้องการจะใช้ก็ลดน้อยลงไปเงินที่เราต้องหาก็ลดน้อยลงไปเมื่อหาเงินน้อยก็มีเวลามากขึ้นมีเวลาว่างที่จะมาวัดได้มีเวลาว่าที่จะมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้นะ ถ้าเราไม่ทำทานเพื่อหยุดความอยากใช้เงินตามความอยากแล้วเราจะไม่มีทางที่จะเข้าถึงธรรมะอันวิเศษของพระพุทธเจ้าได้เลยพระพุทธเจ้าถึงบอกกุญแจวิธีเปิดกุญแจเข้าวัดวิธีอยากจะเข้าวัดเนี่ยต้องใช้ทานเป็นเครื่องเบิกทางต้องทําบุญทําทานแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มไปเล่น ไปใช้กับของพุ่มเฟืยเอาเงินนี้ไปทาบุญทาทานหรือไม่ต้องทาหมดทาเท่าที่จำเป็นหรือว่าหยุดใช้เงินท่านเองเป้าหมายให้เราหยุดใช้เงินตามความอยากไม่เอาไปทาบุญทาทานก็ได้แต่อย่าเอาเงินไปใช้กับความอยากจะเก็บไว้สำรองไว้กับใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็ได้ ถ้าเรามีเงินสำรองเราก็ไม่ต้องทํางานก็ได้ลาออกจากงานเลยก็ได้จะได้มีเวลาไปอยู่วัดได้เลยไม่ต้องเข้าๆออกๆออไปอยู่ที่ได้นานไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมได้นานเพราะธรรมานี้ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนต้นไม้เนี่ยต้องปลูกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปลูกลงดินสามวันแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้ว เ, เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ามาลงดินอีกสามวัน อย่างนี้ต้นไม้ไม่มีวันจะโตนะเมื่อปลูกต้นไม้แล้วต้องให้มันอยู่ในดินมันถึงจะเจริญเติบโตได้ใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเข้าวัดเราต้องอยู่วัดอย่าเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกก็เหมือนถอนต้นไม้ออกจากดินเนี่ยเวลาเข้าวัดก็เอาต้นไม้ลงดินพอเวลาจะกลับบ้านก็ถอนต้นไม้ออกจากดินเอากลับบ้านไปมันก็เลยไปไม่ถึงไหน ท, ทันทีเหมือนต้นบอลใส่ กี่ปีกี่ปีมันก็เท่าเดิมขนาดเท่าเดิมถ้าอยากจะให้มันโตเป็นไม้ใหญ่นี่ต้องแบบให้มันอยู่ในดินตลอดอย่าถอนออกจากดินปลูกแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในดินคอยรักษาให้มันเจริญงอก ง, งามอยผู้ที่เจริญงอก ง, งามได้มากไม่ผลส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่อยู่วัดตลอดนี่ก็ดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นใครแหละก็เป็นพระทั้งนั้นใช่ไหมมีญาติโยมสักกี่คนแทบจะหาไม่มีเลยเก็เพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะสิถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากธรรมะก็ต้องปลูกต้นธรรมะอย่าถอนต้นธรรมะออกจากดินอย่าเอาใจออกจากวัดให้ใจอยู่วัดให้ใจอยู่กับการศึกษา อยู่กับการปฏิบัติธรรมถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องธรรมะก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาดังนั้นเบื้องต้นเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราใช้ตามความอยากต่างๆหยุดใช้มัน เมื่อหยุดใช้มันแล้วเราจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องหาเงินที่หาเงินกันส่วนใหญ่นี้ก็หาเงินเพื่อไปเที่ยวกันเพื่อไปซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อไปทำตามความอยากจริงถ้าจะหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปหาที่วัดก็ได้ไปอยู่วัดไปทำงานให้วัดเป็นพระก็ทำหน้าที่ของพระเขาก็ให้ข้าวฟรี ข้าวฟีบ้านฟรีอยู่ถ้าเป็นญาติโยมก็ไปทํางานช่วยในวัดก็ได้มีอาหารเหลือเฟือเหลือกินเยอะแยะไปอยู่ไปช่วยทํางานก็ไม่ได้ทําทั้งวันทั้งคืนงานในวัดก็ทําแค่มื้อเดียวตอนเวลาที่จะกินงันแค่นั้นเองช่วยกันเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมของอะไรจัดข้าวจัดของกันพอเสร็จก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามล้างเสร็จก็จบละทีนี้ก็ ไปปฏิบัติทำได้ไปศึกษาทำได้ไม่ต้องไปทำงานทำการถ้าเราไม่ต้องใช้เงินตามความอยากแล้วนี่เราจะไปบวชได้ถ้าเรายังต้องใช้เงินตามความอยากนี้ไปไม่ได้ยังอยากไปเที่ยวที่นู่นยังอยากจะไปดูหนังฟังเพลงยังอยากจะไปชอปปิ้งตามสูตรการค้าต่างๆยังอยากจะมีแฟนถ้าอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เนี่ย ถ้าอยากจะไปนี่ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ก่อนวิธีหยุดก็คือถ้าเราอยังใช้เงินกับความอยากก็หยุดใช้มันถ้ามันเก็บไว้แล้วไม่มั่นใจกลัวจะกลัวจะเอาไปใช้ก็เอาไปทาบุญเสียพอทาบุญแล้วมันก็ไม่มีเงินมาล่อใจเราอยากจะใช้ก็ไม่มีเงินใช้แล้วต่อไปความอยากจะใช้เงินมันจะหายไป เมื่อเราไม่มีความอยากใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปหาเงินเมื่อเราไม่หาเงินเราจะเราก็จะมีเวลาที่จะไปหาธรรมะกันไปศึกษาธรรมไปปฏิบัติธรรมกันเราก็จะได้ไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามได้คือขั้นศีลขั้นภาวนาตอนตอน้ตนตอน้ตองแก้ปัญหาเรื่องการใช้เงินใช้ทองเลิกใช้เงินใช้ทองให้ได้ก่อนเลิกใช้เงินตามความอยากต่างๆ พอเราเลอกใช้ได้เราก็จะไปอยู่วัดได้ไปบวชได้เมื่อเราบวชเราก็จะรักษาศีลได้มีศีลกี่ข้อก็รักษาได้ศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยี่บเจ็ดศีลสามรอยสิบเอดข้อนี้ไม่ยากเย็นเลยเพราะการไม่ทำอะไรมันง่ายกว่าการกระทำาการทำบาปการฆ่ากับการไม่ฆ่าไหนจะง่ายกว่ากัน เ, เวลาจะฆ่าใครนี่มันต้องไปหาอาวุธใช่ไม้ม ต้องไปหาปืนหามีดแล้วต้องไปตามไล่ไอคนที่เราจะฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายแต่การไม่ฆ่ากับง่ายกว่าไหมการไม่ฆ่าก็อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆท่านนี่เองแต่กลับทําของง่ายไม่ได้ชอบทําของยากกันทําไมเป็นเรื่องของความโง่หรือของความฉลาดทําในสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับไม่เอาชอบทําในสิ่งที่เป็นโทษ ทำในสิ่งที่ง่ายไม่ชอบทำชอบทำในสิ่งที่ยากยากแล้วก็เป็นโทษด้วยไม่ใช่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่อย่างใดแต่การไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษกลับเป็นสิ่งที่ง่ายกับทำไม่เป็นกับทำยากการรักษาศีลนี่มันง่ายกว่าการทำบาปแต่กลับกลายเป็นการทำบาปนี่ง่ายกว่าการรักษาศีลเพราะอะไร เพราะนิสัยสันดานเรามันชอบทําบาปมานั่นเองมันติดมาเป็นนิสัยพอจะอยู่ดีๆอยู่ให้มันไม่ทํานี่มันทําไม่ได้มันเคยทําอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานเคยชอบกินเหล้ามันอยู่ดีๆบอกให้มันไม่กินนี่มันไม่ได้มันถึงเวลามันก็เปรี้ยวปากขึ้นมาเวลามันก็อยากกินขึ้นมาบอกไม่ให้โกหกมันก็โกหกมันก็อดโกหกไม่ได้ โกหกกับไม่โกหกอันไหนง่ายกว่ากันนะไม่โกหกก็อย่าพูดอะไรท่านเองหุบปากไว้เฉยๆใครก็ถามอะไรถ้ารู้ว่าจะโกหกก็ไม่ต้องพูดอะไรท่านเองยิ้มให้เขาก็หมดเรื่องเขาถามว่าจริงไหมก็ยิ้มให้เขาไปนั่นเองมันก็ไม่ต้องโกหกแล้วความจริงของง่ายเรากลับทำไม่ได้กับไม่ทาของยากได้แต่ของง่ายกลับทําไม่ได้เพราะว่า นิสัยของเรามันชอบทำของยากของง่ายมันไม่ชอบทำนั่นเองเคยชอบทำบาปมาแต่ดั้งเดิมมันก็เลยติดเป็นนิสัยมาพอจะเลิกทำบาปมันก็เลยรู้สึกยากเท่านั้นเองพอเวลาอยากทำอะไรแล้วไม่ได้ทำนี่มันหงุดหงิดนะอยากจะด่าใครแล้วเนะี่ไม่ไม่ได้ดา่าก็นียรู้สึกแหม я, มันไม่สบายใจเพราะเนี่ยเพราเราเคยด่าคนมาตลอดเวลา ใครมาทำให้เราโกรธนี่มาทันทีเลยด่าออกมาทันทีเลยมึงกูไม่รู้หายไปไหนโผ่มาทันทีเลยแต่ก่อนหน้า น, นั้นเวลาใจไม่โกรธใครนี่โอ้ยขะขารับผมพอเวลาโกรธขึ้นมาหายไปหมดเลยไอตัวล่โผขึ้นมาทันทีนี่เป็นเพราะว่าจิตใจของเราเคยปลุกฝังแต่สิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจ มันถึงยากที่จะไปกำจัดมันแต่ก็ไม่สุดวิสัยถ้าเรามีความตั้งใจทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่ามาถือศีลกันนะมาหยุดกระทำในสิ่งที่มันเสียหายมันทำให้เกิดความทุกข์กับใจเราหยุดมันดีกว่าการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีการโกหกการดื่มสุรานี้มันมีแต่โทษกับจิตใจมันจะทาให้ใจทุกข์ ทำให้ใจวุ่นวายทำบาปแล้วสบายใจั้ยเวลาไปขโมยเงินใครก็มาแล้วสบายใจัหมเวลาไปหลอกลวงใครมาแล้วสบายใจัหมเวลาไปฆ่าใครมาแล้วสบายใจหรือเปล่าไม่สบายใจหรอกต้อไปทำทำไมสู้อย่าทาดีกว่าการที่เราจะรักษาศีลได้ไหม ได้ให้เราดูที่ผลดูผลของการทำบาว่ามันดีหรือไม่ดีดูผลของการไม่ทำบาว่ามันดีหรือไม่ดีเมื่อเราเห็นผลแล้วเราก็จะได้เลือกวิธีที่ถูกได้อ่อไม่ทำบาปมันดีทำให้ใจเราสบายเห็นตารวจก็ไม่หวาดผวาถ้าทำบาปแล้วนี่เห็นตำรวจนี่ใจวุบตรงไปที่เท้าเลยใจนี่ตกใจเลย จะมาจับเราหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ทําผิดกฎหมายเฉยๆตํารวจมาก็มาสิต้อนรับเขาได้ทักทายไปไหนครับผู้กํากับสบายดีหรือเปล่ามีธุระอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําบาปนะไม่ได้ทําผิดว่าเราไม่ได้ทําผิดใจเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเวลาเจออะไรเจอใครหรือเจออะไรก็ตามจะไม่กลัว ก็ไม่มีโทษไม่มีได้ทำอะไรให้เขามาจับเราไปลงโทษได้นั่นเอง น, นี่คือการที่จะทำให้เรารักษาศีลได้เราต้องดูผลที่จะตามมาจากการรักษากับการไม่รักษารักษาศีลแล้วใจเย็นใจสบายเหมือนติดเครื่องปรับาการไว้ในบ้านเวลาทำบาปนี้เหมือนกับติดเครื่องทำความร้อนไว้ในบ้าน จะทำให้ห้องนี้ร้อนระอุไปหมดจะทำให้อยู่ไม่สบายนี่คือวิธีรักษาสิ้นเดินนัเหนอหนูผันไนะ น, นพอเรามีเวลามาวัดเราก็ต้องมาศึกษาวิธีรักษาศีลว่าทำยังไงเราถึงจะรักษาศีลได้ก็คือต้องดูผลของการรักษาศีลเปรียบเทียบกับการไม่รักษาศีลว่าอันไหนดีกว่ากันมีคุณประโยชน์กับจิตใจเมื่อรู้ว่าการรักษาศีนมีคุณประโยชน์การไม่รักษาศีนเป็นโทษเราก็จะพยายามนะ พยายามจะรักษาศีลวิธีจะรักษาศีลก็ต้องพยายามมีสติคอยดูการพูดการกระทําของเรา<ม>ถ้ามีสติเราจะรู้ก่อนว่าเรากําลังจะพูดอะไรกําลังจะทําอะไรถ้าเราไม่มีสตินี้พอนึกจะทําอะไรพูดอะไรมันจะพูดออกมาทันทีแต่พอมีสตินี้มันเหมือนกับมีที่กรองมีประตูกั้นไว้ประตูหนึ่งก่อนสติจะถามให้กําลังจะทําอะไรวะกําลังจะพูดอะไรผิดศีลหรือเปล่า ถูกถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอพอมีสติมากั่นกองหน่อยมันจะได้ยับยั้งได้อ๋อกำลังจะไปขโมยเงินอ๋อไม่ทำไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้ทำสบายใจเย็นใจรักษาความสบายใจเย็นใจดีกว่าอย่าไปทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาด้วยการไปทำบาป พ, พอมีสติมากั่นกองมันก็จะระ ง, งับหยุดได้ พอทำไปแล้วต่อไปมันจะเป็นนิ ส, สัยขึ้นมามันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาสติจะไวขึ้นพอจะคิดเพียงแต่คิดปับ๊บมันก็รู้ละอ่ะกาลังจะไปทำบาปนะอย่าไปคิดให้เสียเวลาเพราะมีแต่ผลไม่ดีตามมามันก็จะระ ง, งับได้ตั้งแต่ความคิดเลยพอจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีพอมีสติพอเคยฝึก ยับยับยั้งมันมันก็จะยับยั้งได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปพอยับยั้งมันบ่อยๆเข้ามันก็จะไม่มันก็จะไม่กลับมาอีกนะมันจะไม่กลับมาคิดที่จะทำบาปอีกต่อไปต่อไปก็จะรักษาศีลได้อย่างสบายพอรักษาได้ห้าข้อแล้วก็มาหัดเพิ่ม เพิ่มอีกสามข้อหรือบางคนจะเพิ่มเป็นสิบข้อหรือสองร้อยยิบเจ็ดก็ได้แล้วแต่ความพอใจแต่ส่วนใหญ่มักจะเพิ่มเป็นแปดข้อก่อนเพราะว่ายัางเหมือนกับเด็กเด็กพึ่งยืนได้ยังวิ่งไม่ได้ต้องหัดเดินก่อนหัดเดินก็รักษาไปแปดข้อก่อนพอเดินได้แล้วต่อไปก็อาจจะไปรักษาศีลสองร้อยี่บเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อได้ ใจบวดได้นี่คือขั้นตนการสู่การปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะให้จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปในใจนะต้องเริ่มต้นด้วยการทำทานถ้าจะเอาเงินไปใช้กับความอยากเอาเงินไปทำทานหรือเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยที่เราไม่ต้องใช้ที่เราไม่ต้องไปเอาเอ า, เอาไปใช้กับความอยากถ้าเราทำได้ ต่อไปเราก็ไม่ต้องหาเงินมากอาจจะหยุดหาเงินเลยก็ได้แล้วเราก็ไปอยู่วัดไปทำงานในวัดแทนไปไปทำงานแลกเปลี่ยนกับค่าที่อยู่กับค่าที่พักกับค่าอาหารได้ เราเราจะได้มีเวลาหัดรักษาศีลห้าหัดรักษาศีลแปดเนี่ยรักษาศีลแปดก็ต้องเพิ่มข้อห้ามเพิ่มขึ้นอีกแต่ข้อที่เพิ่มนี้ไม่ได้เป็นบาปก่อนที่ไม่ได้รักษาศีลแปดนี้ไม่ไม่ได้ทําบาปมากกว่าคนที่รักษาศีลห้าศีลห้านี้เป็นการห้ามทําบาปแต่ศีลแปดนี้ห้ามไม่ให้ไปทําตามความอยาก มันไม่เป็นบาปแต่มันเป็นเหตุที่จะพาให้เราต้องกลับมาทุกข์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆคือการไปเสพกามนั่นเองเราต้องหยุดการเสพกามเพราะการเสพกามจะพาให้เราต้องทุกข์วุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาเสพเวลาอยากได้อะไรก็ต้องหา เวลาอยากใจก็วุ่นวายไม่สบายพอไดมาก็สงบเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากจะอยากใหม่ปรากฏขึ้นมามันก็ยะอยากไปเรื่อยๆจนวันตายตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปอันนี้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาทุกอยู่เรื่อยๆเราต้องมาหยุดความอยาก การเสพกามสินแปนี้เป็นการเพิ่มข้อห้ามในการเสพกามจากสินข้อที่สมให้เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับใข่ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็ข้อ6กก็ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเหมือนรับประทานยาเพื่อมาดับความหิวแต่ไม่ได้มาเพื่อให้หา ความสุขจากการรับประทานรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินความบันเทิงใจแล้วก็ไม่ให้มาหาความสุขจากมหัศลศพ บ, บันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป ถ้านอนบนฟูกนั้นหนาะเตียงใหญ่ๆมันจะนอนสบายแล้วมันจะนอนมากเกินไปแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี้มันจะนอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอได้ตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อพอนอนแล้วมันเจ็บหลังนั่นเองสู้ลุกขึ้นมาหัดนั่งสมาธิมาภาวนาดีกว่าอ่นี่คือประโยชน์หรือหน้าที่ของการถือศีลแปด เพื่อบังคับใจให้มาภาวนาให้มาสร้างความสุขภายในใจเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปความทุกข์ต่างๆที่เราใช้การรักษาศีลการทำทานนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้เพียงแต่ลดจานวนมันให้น้อยลงแต่มันไม่หมด จะให้มันหมดอย่างลาบคาบนี้ต้องอาศัยการภาวนาภาวนาก็มีสองขัน้นขั้นสมถะภาวนาขั้นวิปัสสนาภาวนาการสมรถะภาวนาก็ทําใจให้สงบชั่วคราวให้ความทุกข์หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวพอจากสมาธิมาความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่ ถ้าอยากจะให้หายอย่างถาวรก็ต้องทำขั้นที่สองคือขั้นวิปัสนาภาวนาคือสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากนี่เองแล้วอะไรที่จะทำให้ความทุกข์ใจหายไปก็ต้องละความอยากหยุดความอยากแล้วอะไรจะมาหยุดความอยากได้ก็ต้องความรู้ในเรื่อง สิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรามักจะคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุขกันแต่เรามองเพียงด้านเดียวมองตอนที่ได้แต่เราลืมไปว่าไม่ว่าเราได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียพอเสียแล้วความสุขที่ได้มามันก็หายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ถ้าอยากได้อะไรก็ต้องคิดว่าไม่ใช่จะได้แต่สุขอย่างเดียวจะต้องมีความทุกข์ตามมาด้วยมันเป็นของคู่กันมันหนีไม่พ้นในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีได้มีเสียมีมามีไปให้มองให้เห็นอนิจจังนั่นเองให้มองให้เห็นอนัตตาว่ามันจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันพัดพากจากเราไป <c oughs> ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราก็จะได้ไม่อยากได้เราก็จะหยุดความคิดที่จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราหยุดความคิดอยากได้ความความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมา ความทุกข์ก็จะไม่เกิดอย่างถาโถเพราะวาความทุกข์เกิดจากความอยากนี่เองเพอเราหยุดอยากปั๊บต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มีไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ จะสงบจะสุขเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิทุกอย่างน่าดีกว่าเพราะสุขอย่างถาวรเพราะจะไม่มีความอยากมาทำลายความสงบแต่ถ้าได้ความสุขสงบจากสมาธิพอจากสมาธิมาความอยากมันยังไม่ได้ตายมันก็จะขึ้นมาทาลายความสงบได้ แต่ถ้าความสงบได้ถูกทำลายด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีวันถ้าความอยากถูกทำลายด้วยปัญญาแล้วมันจะไม่มาทำลายความสงบอีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดเนี่ยใจที่สงบตลอดเราก็เรียกวันนี่ผ่านใจที่มีแต่บรมมาสุ ข, สขตลอดเวลาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดไม่มีวันที่จะกลับคืนมาอีกต่อไป นี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยหายไปตามลำดับความสุขต่างๆก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนครบร้อยความทุกข์ก็หายไปทั้งร้อเปอร์เซ์ความสุขก็โผล่ขึ้นมาเต็มร้อยแล้วใจของเราก็จะไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปจะอยู่กับความสุขแบบนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังธรรมจึงขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยาถาวะเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเบตานังอุปปกักปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพะโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนาสีฤทธานิจังวุฒาปจายีโนจตารูธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคาถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วไม่มีหลังใหม่มีแต่หน้าใหม่งั้นถ้าไม่อยากให้รู้ว่าเป็นใครก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้จาก Facebook 337 YouTube 286วิทยุออนไลน์32ผู้รับฟังบนเขา96รวม751ท่านค่ะโอเคใครอยากจะถามยกมือขึ้นได้น ะ, ะเดี๋ยวส่งไมโครโฟนมาหน่อยในเสื้อแดงอ่าอ่าวันนี้ พระอาจารย์คะศีลแปดศีลแปดดื่มนมเปรี้ยวได้ไหมคะพระอาจารย์คะได้ตอนก่อนเที่ยงสิหลังเที่ยงไม่ได้คือนมนี่ถือว่าเป็นอาหารเป็นเสริมเป็นอาหารเสริมนมถั่วเหลืองนมวัวนมอะไรนี่ไม่ได้คอฟฟี่หมกคอฟฟี่เมดอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นนมหมดอ้าจะกินต้องกินก่อนเที่ยงวันหลังเที่ยงวันนี้ต้องเป็นพวกน้ําป่านะน้ําผลไม้ เช่นน้ำผลไม้ที่ต้องไม่ใหญ่กว่า ก, กับกำปั้นพวกน้ำมะม่วงนี่พอใช้ได้น้ำสม้มน้ำมะนาวน้ำองุ่นน้ำแอ ป, ปเปลิลเนี่เอามาคั้นได้แต่ต้องกรองไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อติดเพื่อให้แต่น้ำล้วนๆแล้วก็สิ่งที่อื่นที่อนุญาตก็สิ่งที่เป็นถือว่าเป็นยาเช่นพวกชากาแฟนี่ถือว่าเป็นยา ผสมน้ำตาลได้แต่ผสมนมไม่ได้น้ำพึ่งได้น้ำพึ่งน้ำมันเนยคน้นเนยใสยได้อนุญาตให้เดือให้ฉันหลังจากเที่ยงวันได้เป็นยาพวกนี้ยาแก้ท้องพวกพวกน้ำมันน้ำเนยข้นเนยใสายบางทีท้องเป็นเป็นแพ้หรืออะไรนี้ก็อาจจะไปเครือบกระเพาะให้ แล้วก็พวกน้ำพึ่งน้ำตาลน้ำอ้อยก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังมีน้ําตาลบางทีหลังจากเที่ยงวันไปแล้วร่างกายมันยังต้องการพลังงานอยู่ก็เติมด้วยน้ํามันน้ําอ้อยน้ําตาลในพวกนี้ก็ไปได้หรือน้ําผ ล, ลไม้แต่พวกน้านมนี่ไม่ได้หรือส่วนที่มีมีส่วนผสมของนม เช่นกาแฟสมัยนี้มันมาแบบสามในสามในหนึ่งซองนี้มันมีทั้งนมมีทั้งน้ําตาลผสมกับกาแฟอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเป็นกาแฟดำได้อยู่กาแฟดํากับน้ําตาลแต่อย่าให้มีนมผสมพวกโอวัลตินก็ถือว่ามีส่วนผสมของข้าวข้าวมอลผส ม, สมอยูย่ในโอวัลตินก็ถือว่าเป็นอาหารไม่ได้ถือเป็นยาเป็นเครื่องไม่ได้เป็นเครื่องดื่มน้ําผ ล, ลไม้ มีคำถามให้ทางบ้านถามได้เลยหรือทางนี้มีใครยังจะถามหรือเปล่าไม่มีนะไม่เกิดไปแล้วใี่ส่งเคยไปแล้วค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถือศีลแปดสามารถใช้พระห่มนุ่มบางๆปูนอนได้ไหมคะถ้าใช้เพื่อรักษาสุขภาพได้อยู่เพราะเพื้นนบางทีมันเย็นนะ ถ้านอนันพืน้นเย็นร่างกายจะไม่สบายได้ถ้าปูเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ได้ปูให้มันสบายเพราะเราไม่ต้องการหลับนานไม่ต้องการนอนนานถ้ามันสบายมันจะนอนนานเกินไปเห็นก็ถ้าพื้นมันเย็นเนี่ยก็ต้องมีผ้าผุมหรือผ้าอะไรที่มันจะป้องกันความเย็นแม่มาดูดความร้อนในร่างกายออกไป จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเรามีความคิดที่จะผิดที่จะผิดศีลข้อสเราบังคับตัวเองไม่ให้ทำผิดทางกายวาจาแต่ทางใจออกมาในรูปแบบของความฝันจิตไร้สำนึกถือว่าเราทำผิดศีลไหมเจ้าคะและการที่หนูหันมาปฏิบัติธรรมจะช่วยลดกรรมที่เคยกระทำในเรื่องนี้ในชาติก่อนๆได้ไหมคะเพราะชาตินี้หนูไม่เคยทาผิดในเรื่องนี้เลยเจ้าคะ ก็ไม่เคยทำผิดแล้วมันจะไปลดได้ไงมันก็ไม่ต้องลดแล้วสิอ่านถูกเข้าปากอ่ะจะลดกรรมในเมื่อหนูไม่เคยทำอ่อนหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ชา้านก่อนไมทก็ทคื อ, คอถ้าเราไม่ทามันมันก็จะทำให้ความอยากทำมันน้อยลงไปทุกครั้งที่เราอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่ทำตามมันกำลังของมันก็จะอ่อนลงไปเหมือนคนที่จะเลิกสูบบุหรี่ก็ต้องเลิกแบบนี้ทุกครั้งที่อยากจะสูบ ก, ก็ไม่สูบ พอครั้ง yeah นี้ไม่สูบครั้งต่อไปความอยากสูบมันก็ไม่แรงเหมือนครั้งที่แล้วพอครั้งต่อไปไม่ไม่สูบอีกครั้งต่อไปมันก็ยิ่งอ่อนลงไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับทางตรงกันข้ามถ้าครั้งนี้สูบเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะแรงขึ้นครา้งนี้สูบมวนหนึ่งครั้งหน้าต้องสองมวนถึงจะมันมวนเดียวไม่มันใช่แล้วต่อไปต้องสามมวนใช่ไหมต่อไปต้องสี่มวนมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราทําตามความอยากมันจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้น ถ้าเราฝืนความอยากมันจะลดความอยากให้น้อยลงยันทุกครั้งที่เราอยากจะทําผิดศีลข้อสามนี้แล้วเราไม่ทําความอยากจะทำํำนั้นมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่ได้ทําทางกายทางวาจา ก, ก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลยังเป็นเรื่องของจิตใจยังไม่เป็นบาปแต่มันก็อย่างที่พูดอาจจะออกมาในทางความฝันได้ แต่ถ้าเราไม่ทำบ่อยๆต่อไปมันก็จะหายไปมันจะจางหายไปจะคนหญิงในขณะที่เราบวชในขณะที่เราบวชจิตเราละเอียดเลยทำให้เราได้ยินเสียงดนตรีไทยและเสียงคนร้องเอื้อนในขณะที่เรามีสติรู้ตัวตลอดไม่ใช่อยู่ในสมาธิแต่พอลาสิกขาบวชแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงดนตรีไทยอีกเลยถือเป็นนิมิต ท, ที่ดีใช่ไหมเจ้าคะ ไม่หรอกถือว่าใจมันยังมีความอยากในเสียงเหล่านี้อยู่ถึงแม้เราจะไม่ได้ฟังใจมันก็ยังผลิตออกมาจากความจำอยู่เคยจำเพลงเหล่านี้ได้พอจิตมันว่างมันไม่มีอะไรมาคิดมันก็เลยไปคิดถึงไอ้เพลงที่ชอบขึ้นมามันก็เลยเป็นเหมือนมีเสียงเพลงปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ควรจะหยุดมันควรจะใช้พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มัน ผลิตค่ะเพลงเหล่านี้ขึ้นมาใจใจเป็นพวกปรุงแต่งขึ้นมาเราไม่ต้องการให้มีอะไรปรุงแต่งในใจเลยต้องการให้ใจนี้ว่างถ้าเป็นจอโทรทัศน์ก็ไม่มีภาพเลยต้องปิดเครื่องแล้วใจมันจะได้เย็นจะได้สบายพอมีภาพหรือมีเสียงถึงแม้มันจะดีแต่มันก็จะทําให้ใจไม่สงบแล้วจะทําให้ใจหิวใจอยากกับภาพกับเสียงเพิ่มมากขึ้นไป เพรฉนนเวลามีเสียงอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็หยุดมันใช้พุทธโธจะเอาเสียงพุทธโธมาสู้มันดีกว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปภายในใจจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทำบุญในงานบวชถ้าเรานำเงินทำบุญกับเจ้าภาพกับการที่เรานำเงินไปทำบุญโดยการใส่ในย่ามพระบวชใหม่อย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันคะ คือแล้วแต่วัดเองละเพราะว่าวางวัดเขาไม่ให้พระจับต้องเงินทองเห็นถ้าเอาเงินไปใส่ย่ามของพระในวัดที่ก็ห้ามมันก็มันก็ไม่ถูกต้องมันไม่บาปแต่มันก็ไม่ควรจะกระทำเพราะทาให้พระผิดศีลน่ะผิดตั้งแต่วันบวชเลยพอบวชปั๊บญาติโยมก็เอาเงินญาติใส่เขาใส่ย่ามพระเลยอย่างนี้เราก็ต้องไปดูว่าวัดไหนเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาต บางวัดขออนุญาตให้พระจับต้องเงินทองได้ถ้าอย่างนั้นก็อยากเอาไปใส่ในในย่ามของพระก็ได้แต่ต้องดูว่ามันมันถูกกาลาเทศะหรือเปล่าเอราะงการทําบุญของเราเราจะทํากับใครก็เราก็ได้บุญเหมือนกันทํากับเจ้าภาพทํากับพระคือบุญที่เราทําคือการเสียสละเงินทองของเราไป มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับว่าเป็นใครผู้รับเป็นเจ้าภาพก็ได้เป็นเป็นพระก็ได้ผู้ให้ก็จะได้บุญเหมือนกันคำถามจากคุณพาดาถ้าแม่ไม่อนุ ญ, ญาตให้ปฏิบัติธรรมท่านอยากให้ทำงานทางโลกก่อนตอนนี้อายุ49ปีแล้วคะ่ะจริงๆอยา ก, กเกษียณตอนอายุ50ควรทำอย่างไรให้ท่านเปลี่ยนใจคะ ไม่ต้องไปเปลี่ยนใจท่านเนี่เราทำตามใจเราสิเมื่อมันไม่เป็นการกระทำบาปไม่ได้ทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนทำไมต้องไปฟังคนอื่นพระพุทธเจ้าฟังพ่อก็ไม่ต้องไปบวชนะเนี่ยใช่ไหมอือเราก็ต้องดูสารณะดูพระพุทธพุทธังสารนังกระฉามี้เป็นตัวอย่างเลยทําไมพระพุทธเจ้าท่านบวชนะทั้งที่พ่อไม่อยากให้บวชนะก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันมีคุณประโยชน์ ต่อจิตใจของท่านและต่อผู้อื่นต่อไปจะเป็นประโยชน์กับแม่ต่อไปด้วยถ้าหนูไปบวชได้พอบวชหนูบรรลุธรรมทีนี้ก็สอนแม่ได้ช่วยแม่ได้พอเราอยู่วัดเดี๋ยวแม่ ก, ก็อยากจะตามเราเข้าวัดเองเลยอยู่บ้านคนเดียวเหงามาอยู่กับลูกที่วัดดีกว่าอย่างนั้นถ้าเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยไม่ต้องไม่ต้องไปโน้มน้าวให้เขามาเห็นด้วยเพราะเขาจะไม่มีวันเห็นเพราะ เขาไม่รู้ความดีของงานที่เราทําว่ามันดีอย่างไรฉะนั้นไม่ต้องไปหวังที่ไปเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนใจเราให้ได้เถิดเปลียนใจเราอยากสองจิตสองใจให้เป็นใจเดียวให้ได้เถิดคือไปบวชให้ได้เถอดหรือไปปฏิบัติทําให้ได้เถอดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองพอเราปฏิบัติทําไปเราดีขึ้นตัวเราดีขึ้น เดี๋ยวคนอื่นเขาก็ชื่นชมยินดีกันตามมาําถามจากคุณลักชังการตัดภพตัดชาตในความหมายง่ายๆต่อการปฏิบัติคืออย่างไรขอรับก็ตัดต้นเหตุของภพชาติไงเหมือนกับ น, น้ำมันรถไงถ้าเราไม่อยากให้รถมันวิ่งเราอย่าไปเติมน้ำมันด้วยถ้าไม่เติมเดี๋ยวน้ำมันที่มีในถังหมดมันก็วิ่งไม่ได้แล้ว น้ำมันที่พายเรามาเกิดก็คือความอยากอยากในกามอยากรูปเสียงกลิ่นลดอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเราตัดความอยากเหล่านี้ไปไม่ทำตามความอยากต่อไปพบชาติมันก็ไม่เกิดแต่ทุกครั้งที่เราทำตามความอยากก็เหมือนเติมน้ำมันรถแต่ไม่มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพบชาติมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณดีดีออไกส์เวลาเรานั่งสมาธิจนสงบแล้วเห็นเหมือนโล่งแต่จะสงบอันนี้ถึงขั้นไหนแล้วคะก็ถึงขั้นที่ต้องทําต่อไปต้องพุโทโธต่อไปถ้ามันยังไม่สงบเต็มที่มันก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้ามันสงบเต็มที่แล้วมันจะร้องอ๋อมันจะไม่ต้องมาถาม เวลามันสงบจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้มันเป็นสิ่งมหัศ จ, จรรย์ใจยิ่งกว่าสิ่งมหัศ จ, จรรย์ของโลกต่อให้ปิระมิดใหญ่โตขนาดไหนกำแพงเมืองจีนใหญ่โตขนาดไหนเวลาไปเห็นมันนี้มันไม่อาศัจจัน์เหมือนกับเวลาเห็นจิตที่สงบเนี่ยของนี้ไม่ต้องถามสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ถ้ายังไม่ร้องอ๋อยังไม่เห็นก็ไม่ต้องก็ยังแสดงว่าต้องพุโทโธต่อไปกำลังเพลงแต่เข้าไปใกล้มันท่านั่นเองแต่ยังไม่ไปถึงตัวมันจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้ายังพุโทโธได้ก็พุโทโธต่อไปดูลมได้ก็ดูลมต่อไปอย่าหยุดค่ะคาถามที่สองจากท่านเดียวกันนะคะเคยนั่งเห็นเป็นแสงแสงแวบ เหมือนเราวูบลงแต่รู้สึกมีความสุขมากเหมือนเห็นองค์พระแต่พยายามนั่งให้องค์พระจะได้เหมือนเดิมแต่ไม่ได้เห็นแต่ความสงบเราไปบังคับผลไม่ไดเ้เราต้องอยู่ที่เหตุคือเราต้องดูลมหรือพุทธโธไปส่วนผลมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรนั้นเราไม่ต้องเราไปกําหนดบังคับมันไม่ได้แต่ผลที่เรา ที่มันจะเป็นตัดเสมอทุกครั้งก็คือความสงบส่วนผลอย่างอื่นเช่นองค์พระแสงสว่างหรืออะไรนี้บางทีมันเกิดบางทีมันไม่เกิดเราจะไปสั่งให้มันเกิดไม่ได้นและเราไม่ควรที่จะไปให้มันเกิดเพราะมันไม่มีคุณประโยชน์อะไรสิ่งนึ่นที่เราต้องการให้มันเกิดก็คือความว่างความสงบความเป็นอุเบกขาความสุขันยิ่งใหญ่ เราต้องการสิ่งนั้นทุกครั้งมันจะเกิดถ้าเรามีสติอยู่กับลมหรือมีสติอยู่กับพุทโธอย่าหยุดพอเห็นภาพขึ้นมาเห็นพุทธรูปขึ้นมาเห็นแสงขึ้นมาอย่าไปหยุดพุทโธต่อไปดูลมต่อไปเดี๋ยวภาพก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่หมดแล้วนะ มีใครอยากจะถามอะไรไหมทางนี้เดี๋ยวส่งไม้ไปหน่อยข้างหลังแสื้อแดงพูดใกล้ๆปากดางังๆเลยอยากทราบว่าพบกับชาติอะคะ่ะมันทำเดียวกันไงพบกับชาติชาติก็คือพบชาติภาษาบาลีแปลว่าเกิดชาติพบก็คือก็พบของมนุษย์พบของเทวดาเนี่ยเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ชาติพบชาติของมนุษย์เนี่ย จะเกิดเป็นในภพของมนุษย์ได้ก็ต้องเกิดเกิดเป็นมนุษย์ชาติแปลว่าเกิดภพแปลว่าที่ที่ที่เราไปเกิดเ ห, หม Warren, เือนเมืองประเทศเนยพบเหมือนประเทศอแล้วก็ชาติก็เหมือนกับเราเดินทางไปที่ประเทศนั้นไปเกิดพอเราขึ้นเครื่องบินไปลงที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็ไปเกิดที่ฮ่องกงแล้วเราก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงฮ่องกงก็คือภพชาติก็คือเราไปเกิดที่นั่น นี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็อยู่ในภพของมนุษย์ภพก็คือประเทศของที่เราไปอยู่เกิดชาติก็คือการไปเกิดชาติชาติแปลว่าเกิดชาตะให้ไหมเวลาคนตายเขาจะเขียนไห้ชาตาะเกิดวันที่เท่านั้นเท่านั้นมรณะวันที่เท่านั้นเทนั้นชาตะมรณ ะ, ะชาติคือการเกิด แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายออันนี้คือคำว่าภพชาติก็คือมันไปคู่กันไงมันไปเกิดในภพนั้นภพนี้ฮต้องเกิดเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็เท่ากับไปเกิดในภพของเดรัจฉานไปภพของหมาก็ไปอยู่กับพวกหมาไปไปอยู่กับพวกแมวเอไปอันนี้ก็ไปเกิดเป็นแมวแล้วก็อยู่ภพของแมว ถ้าไปเกิดในสวรรค์ก็ไปอยู่กับภพบของเทวดาไปชั้นไหนชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นอะไรก็นั่นก็เป็นภพการได้ไปเกิดในเป็นเทวดาในภพนั้นก็เรียกว่าเกิดชาติชาติเข้าใจไหมงั้นภพชาตินางทีอย่าไปพูดไปคบคู่กันไปมีอีกไ้ยคำถามถามต่อ ค่ะจะคุณชอบเพชรสติปฐานสี่มีความสําคัญอย่างไรเจ้าค่ะอ๋อเป็นเป็นเหมือนคู่มือของการปฏิบัติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาสามสขั้นโดยการขัน้นแรกสอนให้เจริญสติขั้นที่สองพอได้สติค่อยไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบ พอใจสงบก็ไปขั้นที่สามไปเจริญปัญญาไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่ยึดไปติดเพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปติดก็ต้องไปติดกับความทุกข์ของกายเวทนาจิตธรรมหมดแล้วใช่อหมหมดแล้วก็หมดนะเนี่ยวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม